ท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสตอบนะสรุปว่าสมณพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งนี้ย่อมกล่าวความหมดจดด้วยการเห็นด้วยการฟังด้วยศีลด้วยวัดด้วยมงคลเนี่ยเราย่อมกล่าวว่าสมณพราหม์เหล่านั้นถึงแม้เป็นผู้สำรวมแล้วประพฤติอยู่ในที่นั้นก็ข้ามซึ่งชาติและชาราไปไม่ได้ท่านนันทมานพ ก, ก็ทูลถามต่อไปว่าสมณพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งนี้ ย่อมกล่าวความหมดจดด้วยการเห็นด้วยการฟังด้วยศีลด้วยวัดถ้าพระองค์ผู้เป็นมุนีตรัสสมณพราหมณ์เหล่านั้นว่าข้ามโอคะไปไม่ได้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์เมื่อเป็นอย่างนั้นบัดนี้ใครเล่าในเทวโลกและมนุษยโลกข้ามชาติชและชะราไปได้แล้วข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ คือบุคคลที่ยกมากล่าวข้างต้นเนี่ยนะถ้าเขาไม่บรรลุไม่บริสุทธิ์เขาข้ามโอฆะก า, ามโมฆะเป็นต้นไม่ได้อันแล้วอย่างนั้นนะ่ะใครข้ามได้อ่ะใครข้ามพ้นความเกิดและความแก่ไปได้ขอพระองค์สงเคราะห์อนุเคราะห์ตอบด้วยเถอะว่างั้นคำว่าที่พระองค์ตรัสถึงว่าไม่สามารถหมดจดด้วยการเห็นด้วยการฟังด้วยศีลด้วยวัดด้วยมงคลหลายชนิดเนี่ยนะ เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่าข้ามโอฆะไปไม่ได้คําว่าข้ามไม่ได้แล้วคือข้ามขึ้นไม่ได้แล้วก้าวล่วงไม่ได้แล้วก้าวล่วงไม่ได้แล้วเป็นไปล่วงไม่ได้แล้วซึ่งกามะโอฆะภาวะโอฆะทิฏฐิโอฆะอวิชาโอฆะวนเวียนอยู่ภายในชาติชราและมรณะวนเวียนอยู่ภายในทางสงสารเป็นไปตามชาติชราก็เล่นตามพยาที่ก็ครอบงำมรณะก็ห้ำหันไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่ซ่อนเร้น ไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งข่าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์เมื่อเป็นอย่างนั้นบัดนี้ใครเล่าในเทวโลกและมนุสโลกข้ามชาติชราไปได้ความว่าเมื่อเป็นดังนั้นใครนั้น่ะในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในโมสสัตวพร้อมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย์ข้ามได้แล้วคือข้ามขึ้นแล้วข้ามพ้นแล้วล่วงแล้วก้าวล่วงแล้ว เป็นไปล่วงชาติชารามรณะแล้วเพราะฉะนั้นขอพระองค์โปรดตรัดบอกปัญหานั้นด้วยเถอดนี่นะสรุปคําถามที่พราหมณ์นั้นถามว่าสมณะพรามหมณ์เราได้เ่าหนึ่งนี้ย่อมกล่าวความหมดจดด้วยการเห็นด้วยการฟังด้วยศีลด้วยวัดด้วยมงค ล, ลหลายชนิดถ้าพระองค์ผู้เป็นมุนีตัดตรัดพราหมณ์เหล่านั้นว่าข้ามโอเคไม่ได้แล้ว ดังที่กล่าวไปสรุปว่าพระองค์เนี่ยปฏิเสธรับที่เหล่าอื่นทั้งหมดเนี่ยนะว่าเขาข้ามไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์เมื่อเป็นอย่างนี้บัดนี้ใครเล่าในเทวโลกและมนุษยโลกข้ามชาติและชราไปได้แล้วข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนนันทะ เราย่อมไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดเป็นผู้อันชาติชราหอหุ้มแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเกิดต้องตายหมดนะเราย่อมกล่าวว่านรชนใดละแล้วซึ่งรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ได้ทราบศีลและวัดทั้งปวงทั้งละแล้วซึ่งมงคลหลายชนิดทั้งหมดกำหนดรู้ตัณหาแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะนรชนเหล่านั้นแหลเป็นผู้ข้ามโอคะได้ นะคือที่บอกว่าพระองค์ปฏิเสธตอนแรกเนี่ยไม่ใช่ว่าปฏิเสธทุกลัทธิทุกศาสนาหมดนะไม่ใช่แต่ว่าในในลัทธิในศาสนาใดหรือบุคคลใดก็ตามที่ละฉันทราคะในรูปในเสียงในอารมณ์ที่ทราบในศีลในวัดละฉันทราคะในมงคลทุกชนิดทำปริญญาในตันหาเป็นผู้ที่สิ้นอาสวะสี่ประการเนี่ยผู้ที่มีคุณธรรมดังนี้แหละเรียกว่าผู้ข้ามโอคะได้แล้ว ภาษาริบุตรท่านนิเทศว่าคำว่าเราย่อมไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดเป็นผู้อันชาติและชราหุ้มห่อแล้วความว่าดูก่อนนันทะเราย่อมไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดเป็นผู้อันชาติและชราร้อยไว้แล้วหุ้มไว้แล้วคลุมไว้แล้วปิดไว้แล้วบังไว้แล้วครอบไว้แล้วเราย่อมกล่าวคือย่อมบอกย่อมทาให้ตื้นว่าสมณพราหมณ์เราใดละชาตชราและมรณะแล้ว ตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีอยู่คือไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดว่าทุกคนเนี่ยข้ามชาติชรามรณะไม่ได้เพราะว่าผู้ที่บรรลุอรหัตตมัคเนี่ยนะตรัสรู้อรหัตตมัคแทงตรอดอริยสัตย์พ้นความเกิดและความแก่เนี่ยมีอยู่ว่างั้น ถามว่าผู้ที่ข้ามพ้นเหล่านั้นน่ะคือใครก็คือนรชนใดละแล้วซึ่งรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบศีลและวัดเนี่ยนะคำว่าละในที่นี้หมายถึงละบรรเทาทําให้สิ้นสุดให้ไม่เอ่อให้ถึงความไม่มีแล้วซึ่งความหมดจดด้วยการเห็นคือไม่ได้ถือการบรรลุ ด, ด้วยการเห็นด้วยการฟังเอ่อด้วยทราบด้วยศีลด้วยวัดเนี่ยนะไม่ได้ถือเอาข้อปฏิบัติอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุ ท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านละไอข้อปฏิบัติแบบนั้นได้หมดแล้วทั้งละแล้วซึ่งมงค ล, ลหลายชนิดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นมงคลตื่นข่าวเป็นต้นเนี่ยนะมงคลเหล่าใดก็ตามเนี่ยท่านละบรรเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งความหมดจดหมดจดวิเศษบริสุทธิ์พ้นพ้นวิเศษพ้นรอบด้วยมงคลคือวัดและมงคลตื่นข่าวมากอย่างคำว่า เป็นผู้กำหนดรู้ตันหาแล้วเนี่ยนะตันหาก็กำหนดรู้ตันหาหกะนะคือรูปปัตนหาสัทตันหาคันธะตันหารสตันหาโพาะธรระตันหาธรรมตันหาคำว่ากำหนดรู้ก็กำหนดรู้ด้วยปริญญาสามกำหนดรู้แล้วซึ่งตันหาด้วยปริญญาสามคือด้วยยาตะปริญญาตีระปริญญาและปหานะปริญญาถามว่ายาตะปริญญาเป็นไนะ ก็คือนรชนย่อมรู้ชัดย่อมรู้ย่อมเห็นตัณหาว่านี้รูปตัณหานี้สัทธตัณหานี้คันธาตัณหานี้รสตัณหานี้โพธะภาตัณหานี้ธรรมะตัณหาก็แยกแยะตัณหาในอารมณ์6ได้อ๋อตัณหาในรูปอย่าเป็นอย่างนี้ตัณหาในรูปโดยมากก็ไหลมาจากทวารตาตัณหาในเสียงก็ไหลมาจากทวารหูตัณหาในกลิ่นก็ไหลมาจากทวารจมูกตัณหาในรส ก็ไหลมาจากทวารลิ้นตัณหาในโพธาภะก็ไหลมาจากทวารกายตัณหาในธรรมรมณเนี่ยนะในธรรมะก็ไหลมาจากทวารใจเพราะว่าตัณหานั้นมีเวทนาเป็นปัจจัยเนี่ยนะเวทนาก็มีภาษะเป็นปัจจัยมันผู้ที่รอบรู้ตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะธรรมรมณ์ได้ก็เป็นผู้ที่กําหนดรู้เวทนารอบรู้เวทนาว่าเวทนานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาท่านรอบรู้ ตัณหาพร้อมทั้งปัจจัยรู้ด้วยไหมว่ า, าตัณหาเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเป็นปัจจัยแก่พบชาติชรามรณะต่อไปดันการรอบรู้ตัณหาเนี่ยนะทั้งโดยปัจจัยและเป็นปัจจัยแก่ธรรมะอะไรโดยตลอดสายดังกล่าวไปเรียกว่ายาตะปริญญาส่วนตีระณะปริญญานี่เป็นไง น, นรชนทำตัณหาที่ตนรู้แล้อย่างนี้เนี่ยนะ ย่อมพิจารณาตันหาทั้ง6ที่กล่าวไปเนี่ยคือพิจารณาตันหาโดยความเป็นของไม่เที่ยงพิจารณาเหล่านั้นว่าเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกซ้อนเป็นความลำบากเป็นความอาพาธเป็นของชำรุดเป็นเสนียดเป็นอุบาทเป็นของไม่สําราญเป็นภัยเป็นอุปสรรคเป็นของหวันไว้เป็นของทําลายเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่มีที่ต้านทานเป็นของไม่มีที่เร้นเป็นของไม่มีสารณะ เป็นของไม่มีที่พึ่งเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์เป็นอนัตตาเป็นโทษเป็นของที่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเป็นของไม่มีแก่นสารเป็นมูลแห่งทุกข์เป็นของไม่เจริญเป็นของมีอาสวะเป็นดังเพชะคาดเป็นธรรมะอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นเยื่อมารนเป็นของที่มีชาติชรามรณะพยาธิเป็นธรรมดาเป็นเหตุให้เกิดโกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปาญา เป็นของที่มีความเกิดมีความดับไ ม, ไ, ม ไ, ม ไ, มไม่น่าพอใจมีแต่โทษตัวตันหาเนี่ยไม่สามารถทำให้สลัดออกจากทุกได้การรอบรู้ตันหาดังกล่าวไปนั่นแหละเรียกว่ายาตะปริญญาตีรณะปริญญาส่วนปหานะปริญญาเป็นไงนะนรชนพิจารณาอย่างนี้แล้วละบันเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งตันหา สมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิสูจทั้งหลายฉันทราฆะในตันหาใดท่านทั้งหลายจงละฉันทราฆะนั้นเสียเมื่อเป็นอย่างนี้ตันหานั้นจักเป็นธรรมะอันท่านทั้งหลายละแลว้วตัดรากขาดแลว้วทำไม่ให้มีที่ตั้งดังตามยอดด้วนถึงความไม่มีมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดานี้เรียกว่าปหานปริญญาละตัหาเรียกว่าละตันหาในตันหา ตัดชันทราคาในตันหาหมดความเพลิดเพลินในตันหาเนี่ยนะอันเรียกว่าทำปริญญาสามในตันหาหรือกําหนดรู้ตันหาด้วยปริญญาสามดังนี้ผู้ที่กําหนดรู้ตันหาด้วยปริญญาสามดังกล่าวเนี่ยเป็นผู้ไม่มีอาสะวะสี่ประการคือกามาสะวะภวาสะวะอวิชชาสะวะเนี่ย อาสวะทั้งสี่นั้นนรชนเหล่าใดละอาสวะเหล่านี้ได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตายอดด้วนให้ถึงความไม่มีมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดานรชนนั้นตรัสเรียกว่าผู้ไม่มีอาสวะผู้ที่ไม่มีอาสวะในที่นี้ก็เน้นที่พระอรหันตขีนาศเนี่ยนะว่าเราย่อมกล่าวว่านรชนใดกาหนดรู้ตัหาแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะ นรชนเหล่านั้นแหลข้ามโอคะได้แล้วความว่าเราย่อมกล่าวย่อมประกาศว่านรชนเหล่าใดกาหนดรู้ตันหาแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะนรชนเหล่านั้นเนี่ยข้ามโอซึ่งกามโอคะพโวคะที่โถคะวิโชคะคือข้ามข้ามขึ้นข้ามออกล่วงก้าวล่วงเป็นไปล่วงแล้วซึ่งทางแห่งสังสารวัรทั้งปวงเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า เราย่อมกล่าวว่านรชนเหล่าใดกำหนดรู้ตันหาแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะนรชนเหล่านั้นแลข้ามโอเะได้แล้วฉันสรุปคาตอบที่พระผู้มีพระภาคตอบนันทมานพว่าเราย่อมไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดเป็นผู้อันชาติและชราหุ้มห่อแล้วเราย่อมกล่าวว่านรชนใดละแล้วซึ่งรูป ที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบละแล้วในศีลในวัดละแล้วซึ่งมงคลหลายชนิดเนี่ยนะกำหนดรู้ตันหาด้วยปริญญาสามเป็นผู้ไม่มีอาสวะสี่ชนเหล่านั้นคือพารหันนั่นแหลเป็นผู้ข้ามโอเะได้แล้วท่านท่านนันทกะมานพก็พอใจมากก็กล่าวว่าข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์ย่อมชอบใจพระวาจานั้น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 ชกชมเชยว่าอชอบใจจริงๆคำที่พระองค์ตรัสเนี่ยนะแล้วก็เห็นด้วยเห็นด้วยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆว่างั้นอธิบายว่าข้าพระองค์ย่อมยินดียินดียิ่งเบิกบานอนุโมทนาปราถนาพอใจประสงค์รักใคร่ติดใจพระวาจาคือทางแห่งถ้อยคำเทศนาอนุสนที่ของพระองค์ คำว่าอันพระองค์ผู้เป็นมเหสีก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นพระมเหสีคือสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งศีลขันใหญ่เนี่ยนะสมาธิขันใหญ่ปัญญาขันใหญ่วิมุตติขันใหญ่วิมุตติญาณทัศน์ใหญ่พระองค์เนี่ยเป็นเรียกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแ่ะทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหา ทำลายกองมืดใหญ่ทำลายวิปลาสใหญ่ทำลายตันหาใหญ่ตันลายทิฐิใหญ่หรือว่าทำให้ตันหาที่เป็นเหมือนมานะมานะเนี่ยนะเป็นเช่นธงใหญ่เนี่ยตกไประงับอภิสังขารใหญ่สละโอคะใหญ่ปลงภาระใหญ่ตัดสังสารวัฏใหญ่ซึ่งการให้ความเร่าร้อนใหญ่ดับซึ่งความสงบระงับความเดือดร้อนใหญ่ซึ่งความยกขึ้นซึ่งธรรมะ เป็นดังว่ารงใหญ่พระองค์ก็ยกซึ่งสติประธานสมมาประธานอิทิบาตอินรีพระละโพชงอริยมรรคใหญ่และก็อมะตะนิพานอันเป็นประมัติที่ใหญ่หรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคชื่อว่ามหิสีก็เพราะว่าอันศัตว์ทั้งหลายผู้มีศัก์ใหญ่สแสวงหาเสาะหาสืบหาค้นหาว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่ไหน พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณที่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเทวดาล่วงเทวดาคือยิ่งกว่าเทวดาประทับอยู่ที่ไหนพระนาราสพระคือผู้องอาจประทับอยู่ณที่ไหนเงียดยิ ง, งเรียกว่าพระมเหสีเนี่ยนะกก็ชอบใจในคำที่พระมเหสีเนี่ย ตรัสบอกดีแล้วคือแสดงดีแล้วบัญญัติดีแล้วแต่งตั้งดีแล้วเปิดเผยดีแล้วทําให้ Na, uh huh. ตื่นดีแล้วประกาศดีแล้วอันธรรมะที่พระองค์แสดงนั้นเป็นธรรมะที่ไม่มีอุปธิคําว่าอุปธิก็คือเป็นชื่อของกิเลสขันและอภิสังขารกิเลสก็กิเลสวัสด์นั่นแหละขันก็วิปากว er ัดอภิส huh. <t os> ังขารก็คือกรรมวัดเนี่ยนะอันธรรมะที่พระองค์แสดงนั้นเป็นธรรมะที่ละอุปธิสงบอุปธิสละคืนอุปธิระงับอุปธิ ก็พระนิพพานนั่นแหละเป็นธรรมที่ท่านกล่าวว่าเป็นธรรมไม่มีอุปธิอันพระนิพพานที่พระองค์ตรัสแล้วเนี่ยนะสงบประงับอุปธิสงบประงับวัตตาเนี่ยเป็นธรรมะดีจริงๆที่บอกว่าข้าพระองค์เห็นกล่าวกล่าวเช่นพระองค์เนี่ยนะว่านรชนเหล่าใดละแล้ ว, ลวซึ่งรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบละศีลละวัดละมงคลลายชนิดสิ้นตัณหา นะเพราะว่ากําหนดรู้ตัณหาด้วยปริญญาสามคือด้วยยาตะปริญญาตีรณปริญญาปหานะปริญญาเนี่ยนะเป็นผู้ไม่มีอาสวะสี่ที่เป็นพระอรหันตขีนาศเนี่ยนะแม้ข้าพระองค์ก็กล่าวกล่าวอย่างที่พระ อ, องค์ว่านะคือผู้ที่กําหนดรู้ตัณหาผู้ไม่มีอาสวะนรชนนั่นแหละข้ามโอฆ่ความว่าแม้ข้าพระองค์ก็กล่าวคือพูดว่านรชนใดกําหนดรู้ตัณหาแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะ นรชนนั้นะเป็นผู้ข้ามซึ่งกามโอฆะพะโวฆะทิโถโฆฆะวิโชฆะข้ามแล้วข้ามขึ้นแล้วข้ามออกแล้วล่วงแล้วก้าวล่วงแล้วซึ่งทางแห่งสงสารทั้งปวงะเป็นผู้ที่ข้ามพ้นวัตต์ได้อย่างแท้จริงอันสรุปที่คําที่พราหมชื่นชมอนุมโมทนากับพระพุทธเจ้าว่า ข้าแต่พระโคโดมข้าพระองค์ย่อมชอบใจพระวาจานั้นอันพระองค์ผู้เป็นพระมเหสีคือผู้สแสวงหาศีละคุณเป็นต้นอันยิ่งใหญ่ตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ไม่มีอุปธิเนี่ยนะคือพระวาจาที่พระองค์ตรัสเนี่ยตรัสถึงนิพพานจริงๆแม้ข้าพระองค์ก็กล่าวว่านรชนเหล่าใดละแล้วซึ่งรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่ทราบศีลและวัดและทั้งมงคลหลายชนิด จำนรู้ตันหาด้วยปริญญาสามเป็นผู้ไม่มีอาสะวะนรชนเหล่านั้นเป็นผู้ข้ามโอคะได้แล้วมันก็พอจบระกถาต่างที่กล่าวนันทามานบก็บรรลุเป็นพระอาหารหันเนี่ยนะพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านเทวดาและมนุษย์ที่สังสมบูรณ์มาร่วมกันเทวดาเหล่านั้นก็บรรลุพระโสดาบันเป็นต้น